นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมมา c o m อาตมาพระไพบุญอภิปุญโอจากวัดป่าดอนไหนโศกอําเภอดงหารจังหวัดอุดรธานีทุกสัปดาห์ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังพร้อมกับคุณหมอนัทพงศ์ครับกลาบน้ำมศการและสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับกับผมทันตแพทย์นัทพงศ์กนกวิรุณครับจากกรุงเทพครับอตอนนี้เป็นเอพิส od ที่เท่าไหร่แล้วคุณหมอวันนี้37ครับท่านสาแล้วทุกสัปดาห์เรามาไม่เคยขาด ครับแล้วก็จะอัปเดตกันทุกวันพฤหัสเช้านะครับใช่แล้วก็ในรายการภาคนี้เราก็จะเอาคําถามมาตอบบ้างเราก็จะเอาประเด็นธรรมะที่เห็นว่ามันน่าสนใจมาเปิดเผยให้ฟังบ้างรก็ไม่ใช่ว่าเปิดเผยหรอกก็ไม่รู้จะเปิดอะไรเพราะว่าธรรมะพุทธเจ้าก็เปิดหมดแล้วนะก็เห็นว่าเราจะมาคุยกันมีประเด็นไหนแง่งมุมใดๆหรือถ้าไม่มีถ้าไม่มีประเด็นใดๆเราก็มาเขาเรียกว่า เล่าให้ฟังให้เฉยครับก็วันนี้มีคําถา ม, มจากนอนที่สามสิบหกนะครับาถามมาขึ้นมาก่อนเลยดีกว่าวันนี้มีคําถามดีๆทีเดียวนะครับจากท่านที่ใช้คําว่าใช้ชื่อวัดคุณทิพย์เปรมใจนะครับอืคือท่านถามว่ามีคือท่านจําตัวพุทธวัชนะไม่ได้แต่ว่าเนื้อความเนี่ยมีว่าเมื่อปุถุชนปุถุชนเนี่ยได้รับอันไปหาอารมณ์ที่ให้ความสุขหรือรสอร่อย หรือไม่ก็จมปลักในความทุกนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นอริยบุคคลอันนี้อันนี้บอกให้ได้เลยอยู่ที่จะสมุปบาทหน้า526ไปเปิดเพราะว่าจะเจอเรื่องแถวๆนี้พอดีครับก็จะเป็นเรื่องที่พระเจ้าพูดถึงปุตุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยคือไม่เคยฟังธรรมกับอริยสาวกครับผู้ที่มีการฟังธรรมเนี่ยสองคนนี้ก็ได้รับเวทนาเหมือนๆกันเพราะมีภาษาต้องมีเวทนาใช่ไหมใช่แล้วอะไรเป็นความ ผิตแตก ต, ต, ต่างกันคผู้เชาก็เลยยกเปรียบเทียบนั่นคื อ, อปุถุชนเนี่ยถ้าถูกทุกเขเวทนาถูกต้องอยู่นะก็จะเหมือนกับถูกลูกสอนลูกหนึ่งแทงรแล้วก็ไม่รู้วิธีในการนำออ ก, ก, น, กอนั่นแล้วก็เป็นทุกข์อย่างเนี้ยแล้วก็ทุกข์ใจด้วยนั่นก็ถูกลูกสอนดอกที่สองเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้จักเอาความทุก ที่เกิดขึ้นทางกายออกใช่ไหมก็เลยไปนึกหากรารมมาสุขนั่นที่คิดว่าจะทําให้ตัวเองเนี่ยรอดพ้นจากความทุกข์นะพอไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์หนักก็อีกเนี่ยเป็นทุกข์ครั้งที่สองครับแล้วโดนลูกดอกลูกดอกสองดอกอการ ม, มาสุขเนี่ยยังนํามาซึ่งความทุกข์อีกหลายอย่างอย่างสมมุติคนแบบทํางานเครียดใช่ไมัมเหนื่อยจากที่ทำงานอย่างเงี้ยนี่คือโดนและดอกหนึ่งนะใช่ครับแล้วพกดไปไหนอ่ะไปคาโอเกะดีกว่า อไปกินหเหล้ า, ลาฟั ง, อ ง, งไอเที่ยวกัางคืนใช่ไหมปรากฏว่าอไปถึงเขากินเหล้ากันด่ากันตีกันโดนทุกดอกที่สองนะแค่นั้นยังไม่พอบางทีเงินหมดกระเป๋าอีกโดนทุกดอกที่สามแค่นี้นยังไม่พอกับบ้านมาเมียด่าอีกโดนทุกดอกที่สี่นะเงินก็หมดอแล้วยิ่งถ้าไปแล้วไม่ได้ตามที่ตัวเองหวังใช่ไหมไอ้ที่นี่ไม่เห็นดีเลยเปลี่ยนโดนดอกที่สี่ดอกที่ห้าอีกอย่างนี้ ตามมาเป็นปลวนเลยอืมนี่คือปุถุชนที่ไม่ได้สดับแล้วก็เขาก็จะสร้างอนุสัยที่ไม่ดีความเคยชินที่ไม่ดีในจิตของเขาครับนะคนที่อย่างพวกที่เสพติดอะคุณหมอณพงศ์เวลาเขาคเครียดใช่ไหมต้องพักบุหรี่มาดูตลอดใช่ครับสร้างอนุสัยละนะมันจะเป็นนิสัยยิ่งกว่าสันดานอีกนะอนุสัยนี่มันลึกแน่นติดที่จิตน ะ, นะแต่ถ้าเป็นอริยสาวก ใช่ไหมเขามีความทุกขถูกต้องอยู่เขาก็จะรู้อุบายในการนําออกซึ่งความทุกข์นั้นอื่นนอกจากการมาสุขอครับอุบายอื่นนอกจากการมาสุขก็มีเอาออกได้อย่างเช่นไปนั่งสมาธิจะ ไ, ไปปล่อยวางให้ได้หรือว่าฟังธรรมะไปฟังธรรมาให้มีความศรัทธาตั้งมั่นหรือว่าตั้งไว้ในนิมิตอันเป็นที่ตั้ ง, งความเลื่อมใส ย, ย่างได้อย่างหนึ่งจิตก็เป็นสมาธิได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับ หรือไม่ก็ได้พูดคุยระบายปัญหา ก, กับกัลยาณมิตรอย่างนี้ได้ไหมครับนนมาพูด<ก>คุยสามารถทําได้ครับก็คือถ้ามีกุลบุตรคนไหนที่เป็นผู้ที่เจริญด้วยศีลมีเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรเนี่ยเราเอาความทุกข์ของเพื่อนของของเรามาบอกเนี่ยมิตรก็รับฟังนี้ก็ว่าเป็นมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขก็มีอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นก็จะต่างกันที่สองประเด็นตรงนี้นะครับ แล้วก็เรื่องนี้เนี่ย ค, คือถ้าคนที่เป็นอริยสาวกเนี่ยอุบายอื่นที่นอกจากการมาสุขใช่ไหมถามว่าคุณจะปล่อยวานได้เร็วหรือไม่เร็วเนี่ยก็อยู่ที่อินทรีย์ภาวนาของคุณออืมฝึกฝึกมามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับอย่างเป็นต้นว่าเด็กอย่างเนี้ยเด็กน้อยเวลาเขาหิวข้าวใช่ไหมที่เขายังไม่รู้เรื่องภาษีภาษาเนี่ยเขาก็ร้องไห้ก่อนเลยใช่ครับนนั้เด็กก็เด็กน้อยหิวข้าวร้องไห้ก่อนเลย นะแล้วก็ถ้าไม่ได้กินข้าวนี่ก็ร้องไห้ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่นี่ยังอดทนได้ แ, แสดงให้เห็นถึงความ อ, อินทรีย์ภาวนาของเด็กก็ยังไม่เท่ากับของผู้ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับแล้วก็คนที่จะละอารมณ์ตรงนั้นที่เข้ามายึดได้เขาก็ต้องละนันทีอะอืรละความเพลินใช่อารมณ์นั้นๆใช่ไหมครับใ ช, ใช่ครับก็กตัวครับ ก็คิดว่าตอบปัญหาของคุณทีปปเ่เปยมใจละครับก็คือตัวพระพระสูตรที่เกี่ยวข้องอยู่ในปฏิจจสมุปบาทหน้า526ใช่ไหมครับประมาณนี้แหละประมาณนี้คร<ม>ับครับประมาณนี้นะครับก็อก็ทีนี้ในคำถามเนี่ยยังมีต่อว่าการที่สามารถคือการที่จะออกจากความทุกข์ตามความเป็นจริงเนี่ยจะสอดรับกับพระสูตรเกี่ยวกับขันห้า คือบอกว่ารู้จักขันห้ารู้จักรสอร่อยรู้จักโทษและรู้จักทางออกจากขันห้าอย่างนี้จะจะเกี่ยวข้องกันไหมครับท่านเออคือที่เขาพูดถึงขันห้าเนี่ยมันในพระสูตรนี้พูดถึงเวทนาทั้ง3ครับถ้ารู้เวทนาทั้ง3าตามที่เป็นจริงนะโดยรสอร่อยโทษของมันเนี่ยก็จะไม่มีอนุสัยเกิดขึ้นไม่มีทั้งออไม่มีอวิชชาอนุสัยเกิดขึ้นครับเพราะนั้นถ้าจะพูดให้ถูกในพระสูตรนี้ก็ก็พูดเรื่องของ เวทนาทั้งสามแล้วแต่คือมันก็คือขันห้านั่นแหละครับอะไรมันก็คือขันห้าก็ไม่หนีออกไปจากขันขันห้าก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับแตงนั้นถ้าจะพูดให้ละเอียดลึกขึ้นไปมันก็ไปเกี่ยวข้องกันละนั่นที่ขันทั้งห้าแล้วก็พวกอินทรีย์ภาวนาชั้นเล่ยคือธรรมะเกี่ยวข้องกันหมดเลยอืครับครับเหมือนเชื่อมโยงกันใชครับเพราะฉั้นก็ถือว่าตอบปัญหาของคุณ ที่เปรมใจไ ป, ป, จไปแล้วเนาะครับเพงั้นต่อไปคําถา ม, มที่สองก็มีอยู่ครับครับคุณนัทกุลพงศ์กุศลละพง์พงวานิษ์นะครับนะก็คือถามมีมีคําถามยาวลงมาแต่ว่าสรุปความได้ว่าาที่พระอานุนถามพระพุทธเจ้าว่าฐานที่ตั้งแห่งอนุสติเนี่ยก็คือเป็นอนุสติฐานที่หกแล้วห้าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ย ฐานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ๋ออันนี้ไปดูได้เลยอยู่ในอริยสัจจากหมวดภาคปลายไหนอยู่ที่หน้าประมาณหนึ่งสองูนนี่แหละหนึ่งสองามเก้าหนึ่งสามเก้าหรือหรือหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งสองสมเก้าหนึ่งสองสี่ศูก็จะพบว่าที่พูดถึงสติไปข้างหน้าถอยหลังการงานอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อที่6ใช่ไหม อับนี้คําถามก็คือว่าเอาแล้วในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันเป็นสี่แล้วข้อที่ห้าคืออะไรใช่ไหมครับก็จะต้องตอบคําถามพวกนี้ฟังก่อนว่าไอ้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยผู้เช้าส่วนใหญ่จะนับรวมเป็นหนึ่งเท่านั้นอ๋อหนึ่งหมวดหนึ่งคือเรื่องของสติปัฏฐานอ๋อสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่มีมีมีหนึ่งหมดนี่นับเป็นหนึ่งครับทีนี้ในพระสูตรนี้ที่ผู้เช่าถามพระอานนุ์เนี่ยพระอนุ์ก็ตอบมาใช่ไหม อย่างแรกนี่ก็คือพูดถึงเรื่องฌานทั้งสามฌานหนึ่งสองสามอย่างที่สองนี่ก็พูดถึงเรื่องอสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อญานัศทัสนะน Hunter คือเรื่องแสงสว่างบางเรื่องความมืดบ้างอย่างที่สามนี่ก็คือพูดถึงผมขนเล็บฝหนังและอย่างที่สี่นี่ก็พูดถึงเรื่องทรกศพเป็นกระดูกเป็นกี่วันเน่าเฟะอะไรไปอย่างนี้นะแล้วอย่างที่ห้าก็พูดถึงฌานที่สี่ อะอย่างที่หกพุทธเจ้าก็เลยเติมให้<อ>เรื่องเกี่ยวกับอันนี้ซึ่งจริงๆถ้าเราไปดูในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยโอ้โหมันละเอียดกว่านี้อีกนะทั้งศพแบบแบบไหนแบบไหนก็มีใช่ไหมอ่าสติปัฏฐานสี่เรื่องของลมหายใจก็ยังมีเพราะฉะนั้นถ้าสติเฉยๆก็จะมีหลายจุดอยู่ทีนี้อ่าเราจะข้อสังเกตตรงนี้ที่ท่านพระอ น, นุได้พูดเอาไว้เนี่ยทาไมถึงแยกชั้นที่สี่ออกมาจากชั้นที่หนึ่งสองสาม อทำไมครับก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่นี่เป็นคําของท่านพระอานุนนี่เป็นคําของท่านพระนุนแต่ถ้าพระพุทธเจ้าจะพูดเนี่ยพระองค์ก็จะพูดหนึ่งสองสามสี่ไปคู่กันหมดนะไม่เคยมีเว้นเลยล่ะเท่าที่ดูมาไม่เคยมีเว้นอืก็ไม่รู้ทำไมท่านพระอนุนถึงเว้นเหมือนกใช่แต่พระพุทธเจ้าก็รับรับรองรับรองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมครับก็รับรองนี่รับรองระดับไหน ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะแต่ไม่ได้บอกว่าสาธุสาธุหรือไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เอาคำของที่ท่านพาหนุนพูดมาพูดซ้าอีกอ๋อครับครับอย่างกรณีก็ไม่ได้คัดค้านน่ะนะเพราะว่ามันแยกกันอยู่ครับกรณีข้อที่สองที่บอกกลางวัลกลางคืนนี้พิจารณาแบบไหนครับท่านถงจะได้เอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราเคยพูดในสมาธิอ๋อที่มีสมาธิภาวนาสี่แบบ นะแบบที่ทําให้เกิดยานทัศนะอันนี้ก็เคยพูดไว้อยู่อืสมารสมาธิตอนตอน้ตนๆเลยนะครับใช่ใช่ครับก็จะไม่ลงรายละเอียดตอนนี้แหละแต่เพื่อว่า<ม>ให้ทราบว่ามันมีอยู่นะสิบอย่างหรือว่าในอนุสติสิบอย่างที่พระเจ้าเคยพูดถึงก็อย่างเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์พุทธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติสีลานุสติเทวตานุสติอนาปานุสติไปเรื่อยๆมีทั้งหมด10บอย่างนี้ก็มี นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามาดูซึ่งอนุสติสิบอย่างนั้นก็เป็นคำของพูทธิช่าเหมือนกันครับก็ลักษณะนี้อยู่หน้าประมาณไหนครับท่านเล่มไหนหน้าไหนอนุสติสิบอย่างใช่ไหมครับผมอ๋อที่มาลงในในหนังสือห้าเล่มนี้มีแค่อย่างเดียวยคือพุทธานุสติ<อ>พุทธานุสติใช่ ซ, ซึ่งอยู่ในอริยสารภาคปลายนั่นแหละหน้าประมาณหนึ่งพันสามร้อย หนึ่ันสามร้อยกว่ากว่าครับหนึ่งพันสามรอสิบเก้าหนึ่งพันสามรอยสิบเก้าท่านแสดงว่าห <grateful S 1> เล่มนี้ท่านจำได้หมดแล้วนะครับเนี่ยก็พอได้พอได้พอตัวเองนี่ก็คือเรื่องการปฏิบัติของเราเราก็พอจําได้แต่ว่าเรื่องการสอนก็ต้องยกให้พรุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจรียนอะไรก็เรียนจากพุทธเจ้าออกมาก็พอปฏิบัติได้เอาตัวรอดได้ครับครับ ทีนี้ว่าเราตอบคําถามหมดแล้วหมอรศผมครับผมครับทีนี้ก็จะมีเรื่องเรื่องราวที่อกล่าวไว้เมื่อคราวที่แล้วว่าใช่ต้องการจะพูดถึงนะครับเรื่องของกามกามกามกไก่สระอามอม้าที่มาพูดถึงเรื่องเนี้เพราะอะไรรู้ป่ะมันมีเหตุครับมันมีเหตุมาก่อนมอรศผมคือว่ามีเพื่อนของอาตมาคนหนึ่งมาจากสิงคโปร์ครับเป็นคารวาสเนี่ยนะคือรู้จักกันมาก่อนที่เราที่จะมาบวชเขาก็สงสัยมากว่าทําไม ภัยบูนเนี่ยถึงมาบวชอยู่ได้ตอนแรกจะบวชสามเดือนทำไมตอนนี้มันกลายมาเป็นหลายปีแล้วหลายปีแล้ะกี่ปีนะครับท่านนิดหนึ่งหปีหปีนะครับสาที่หกปนภาษานี้แล้วก็อยู่ได้ยังไงทำอะไรเลยต้องการจะมาสัมภาษณ์ซึ่งวิดีโอที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยก็จะลง YouTube ในเร็วนี้แหละถ้ทราบข้อมูลก็จะเอามาโพสให้ทราบในในพิวธรรมะละแต่ประเด็นที่ ต้องการจะเจาะลึกในเรื่องนี้เพราะว่าคือเขาไม่ได้ถามเขาไม่ได้ถามในวิดีโอในสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เขาถามนอกรอบอเ้วก็เลยเขาถามว่าเนี่ยจะตั้งเป้าหมายในชีวิตยังไงทำไมชีวิตของเขาเนี่ยนะเวลาอยากจะได้นู่นได้นี่คื อ, ค, อคือเคยฝรั่งเนี่ยเขาจะมีการวิธีการที่จะต้องได้ตามจุดประสงค์เป้าหมายของเขาคือต้องเซตโกลใช่ต้อมีเป้าหมายในชีวิตนะเราก็แก้ไขปัญหาทําให้เป้าหมายในชีวิตเนี่ยให้สําเร็จ ซึ่งอะไรมาบอกเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเกําลังพูดต่อไปนี้คือกามเนี่ยยังไงคุณก็ไม่ได้และเลยเป็นเหตุที่จะต้องให้ปรารภเรื่องของกามนะกไก่สราหม่อมะครับก็คือต้องอธิบายให้เข้าใจว่ากามเนี่ยคืออะไรก่อนนิยามของคำว่ากามนิยามของคำว่ากามก่อนที่จะไปหนึ่งนิยามของคำว่ากามเนี่ยมีคนเขาเคยบอกว่าอคุณต้องอ เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรว่า expect success ในชีวิตฉันต้องมีความสําเร็จเพราะว่าถ้าชีวิตฉันตั้งเป้าไว้ในความสําเร็จแล้วนะฉันก็จะมาโฟกัสอยู่ที่ความสําเร็จเราใจแล้วก็จะจดใจจ่ออยู่ที่ความสําเร็จของเราครั บ, ร บ, บท่อาอาตมาเตียงคราหมอกวัาไม่จริงหรอกถ้าความสําเร็จที่คุณตั้งเป้าไว้นั้นนะเป็นกามนะคุณจะไม่มีทางได้จะยากมากเนะีเพราะว่ามันจะมีหลุมพรางของความเป็นกามของมันอยู่อืใช่ครับจริงรต้องอธิบายให้ให้ทราบรายละเอียดว่าไอ้กามกามนี่คืออะไร การกับการมาคุณมันต่างกันยังไงใช่ครับ่พุทธเจ้าใช้คำว่ากามก็ไก่สรามอม้าเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่าเซนเชีลิตี้แล้วก็การนี่คืออะไรคือความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีนันในสิ่งที่เกิดขึ้นต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจสมมติเราได้ปากกามาแท่งหนึ่งโอ้นี่ปากกาของฉันแหมดีอย่างนี้ดูสิสีสันนั่นเสพกามละแต่ว่า แต่ว่ากามคุณทั้งห้านะคนละอย่างกันกามคุณทั้งห้าคือเขาเรียกว่าอารมณ์อันวิสิทธพิสดารในโลกอย่างเช่นว่ารถเบนซ์เทียบกับคุณใดอย่างเงี้ยมันก<อ>็ลาเรื่องกันนะคระใช่ครับช่วงล่างก็ไม่เหมือนกันแอร์ Air ก็เหมือนเหมือนกันระบบภายในก็ไม่เหมือนกันเบนซ์นี่มันดีกว่าครับนั่นคือกามคุณกามคุณเขาเรียกว่าก็คืออารมณ์อันวิจิตพิสดารที่มีอยู่ในโลก อ, อย่างเช่นอาหาร อาหารอร่อยอร่อยใช่อาหารอร่อยอร่อย่างเช่นหมูฉลามหรือบางคนไม่ชอบหมูฉลามอาจจะชอบอาหารประเภทอื่นที่ตัวเองชอบแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับอย่างเช่นว่าอาหารหมาเอ้าอือาหารเมาเป็นเม็นเม็ดหรือว่ากระดูกไก่ที่มีเนื้อติดอยู่นิดหนึ่งมันคนละเรื่องใช่ครับใช่ไหมอันอาหารอร่อยอร่อยเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอารมณ์อันวิจิพิสดารอยู่ใช่ครับมีเครื่องเครื่องปรุงแต่งที่มันละเม็ดละไม่ ก็จะไม่เหมือนกันนะหรือว่าอายกตัวอย่างอีกบ้านหลังใหญ่ๆเครื่อหาดนะกับกระต๊อบเล็กๆนะเครื่องหดเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์อันวิชิตพิสดารกระต๊อบเล็กๆก็จะเป็นอารมณ์อันที่อาจจะไม่ค่อยวิชิตพิสดารเท่าไหร่นี่พวกนี้คือกามคุณอ๋ออย่างเพลงเพราะๆอย่างนี้ก็เป็นการมะคุณใช่ไหมครับใช่ใเพลงเพราๆเป็นกามคุณทีนี้ถามว่ากรมคุณแล้วยังไงนะกรรมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กามคุณแต่กามเนี่ยอยู่ในจิตของเรา นะพระเจาบอกถึงว่า ค, ความกำหนัดไปตามอำนาจความตรีตรึกนั่นแหละคือกรรมนะถ้าเมื่ อ, อไหร่เรากำหนัดเพลิดเพลินยินดีพอใจลุ่มหลงมัวเมาในอารมณ์อันวิจิตนั้นนะคุณเสพกรมทันทียกตัวอย่างเช่นครับกินข้าวอย่างเงี้ยโอ้โหข้าวขาหมูอร่อยมากๆเลยแหมร้านนี้เดี๋ยวต้องมากินต่อเดี๋ยวต้องชวนคนนั้นมากินนั่นไปแล้วนะไหลไปตามแล้วนะ เ, เพล<ๆ>ิดเพลินลุ่มหลงยินดีมัวเมากำหนัดแล้วนะ มากน้อยก็แล้วแต่ใช่ไหมในข้าวขาหมูคุณเสพกามแล้เสพกามจากกันกินในขณะที่คนที่สองคนที่สองทำยังไงคนที่สองเขาก็กินข้าวขาหมูใช่ไหมกินข้าวขาหมูนี่ก็กินข้าวขาหมูก็กินไปเพื่อดับเวทนานีไม่ให้เวทนาเก่าเกิดขึ้นดับเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นอพิจารณาแค่ว่าเออเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้กายนี้ตั้งอยู่ได้ครับลักษณะนี้กินเรื่อยๆชื่อว่าชื่อว่าไม่เสพกามแต่กินข้าวขาหมูนะสองคนกินข้าวขาหมูเหมือนกัน แต่คนแรกเสพกามคนที่สองไม่เสพกามออืรนะต่อไปเอาอย่างง่ายๆอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นเศรษฐีอยู่คฤหาสน์นะั่นอยู่คฤหาสน์โอ้โหมีบ้านนี้มีห้องทั้งหมดห้าสิบห้องนะ ร, รับคนได้เป็นพันแต่ว่ายาจกนะอยู่อย่างชาวบ้านร้านตลาดอย่างเงี้ยครับชาวนาโ จ, จนโจนเรือนบ้านนี่ข้างล่างก็เลี้ยงวัวนะข้างบนนี่ก็เป็นฝาบ้านแบบไม่ได้ไม่ได้ปูไม่ได้อะไร หรือว่าชาวบ้านนี่เขาจะเป็นกําแพงเขานี่ก็เอาอิฐบล็อกมาปูนะไม่ได้ทาสีไม่ได้ฉาบด้วยพื้นนี่ก็อยู่พื้นดินธรรมดาอย่างเงี้ยบ้านเขาก็เป็นอย่างนี้นะถามว่าอารมณ์อันมิจฉพิสดารเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นะขึ้นหาดที่มันดีกว่าบ้านไม่มีฝาหรือบ้านฝาไม่ได้ฉาบนะแต่ถ้าเขาเศรษฐีเนี่ยไม่กําหนัดลุ่มหลงมวหมองเพลิดเพลินในบ้านนะ แต่ในขณะที่ยาจกอยู่ในบ้านไม่มีฝาหรือฝาไม่ได้ฉาบเนี่ยมามาเพลิดเพลินยินดีว่านี่บ้านของฉัน<อ>ใครแต่ต้องไม่ได้หรือว่ายึดติดในบ้านหลังนี้ก็ชื่อว่าเขาเสพกา ม, <อ>มก็คือตัวที่ตัดสินเนี่ยก็คือความความรุ่มหลงในจิตอย่างนี้ได้ไความร<ป>ุ่มหลงมวเมายินดีเพลิดเพลินเป็นไปตามหน้าความตรีตรึกในสิ่งนั้น ตรงเนี้อยู่ในกามเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแยกสองส่วนนะกามเนี่ยจับต้องไม่ได้อยู่ในจิตของเราับจําต้องด้วยอมือไม่ได้แต่กามคูนอยู่ข้างนอกอาจจะจับได้ด้วยมือก็ได้หรืออาจจะจับไม่ได้ด้วยมือก็แล้วแต่อาจจะเป็นเสียงกลิ่นรสพวกนี้ก็ก็อยู่ข้างนอกครับเพราะฉะนั้นนี่คือกามครับทีนี้ประเด็นที่เราต้องทราบเกี่ยวกับกามก็คือว่าสองอย่างกามกับกามมคุณไม่เหมือนกันละครับ ทีนี้ประเด็นที่อราจมาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการนะมี ค, ความกำหนัดเพลิดเพลินลุ่มรุงมัวมันในสิ่งนั้นนะคุณได้ยากเขาเรียกว่า Doom to fail มันจะมีกับดักอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอะไ ร, รเพราะว่าการเนี่ยหมอนรัศมีเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะไปจดจ่อกับมันได้เมื่อไหร่คุณจะไปจดจ่อในเรื่องการนะสิคุณไม่มีทางเป็นสมาธิอเพราะว่าอะไรเพราะว่าการใช่ไ้มมีธรรมชาติที่ดีดดิ้ n เปลี่ยลิกแปลงเ ป, ปลี่ยนแปลงเหมือนกิเลส อ, อ่ะอ๋อเหมือนอยากอยากได้ก็อยากไปเรื่อยๆอย่างนี้มันจะไม่จบเลยไม่มีทางับนี่คือลักษณะของกามเนีเพราะฉะนั้นจิตที่ยังมีกามอยู่คุณไม่มีทางเป็นสมาธิ <ambul> จิตที่ไม่มีทางเป็นสมาธิจะเป็นยังไงโอ้ยมันก็เป็นไปตามอำนาจของมาน ม, ม, มันไม่ได้ช่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นมันทางกายมันก็ตเอาทางใจใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งเป้าหมายในชีวิตบางคนบอกเป็นฉันเป็นนักศึกษาต้องการทํำรีพอร์ตให้เสร็จ นะหรือว่าต้องทํางานชิ้นหนึ่งให้เสร็จนี่แต่ถ้าเราไปโฟกัสเรื่องการนะในลักษณะที่ว่าเนี่ยทาเสร็จแล้วนะฉะนันได้รับการยกย่องอย่างงั้นอย่างนี้โอ้มีความสุขทางตางทางหูนะได้รางวัลอย่างงั้นอย่างนี้แล้วก็ได้เงินเป็นที่ยกย่องนับหน้าถือตาเนะนี่ยนี่คือการนะเรารลุ่มหลงไปตามนั้นแล้วนะแล้วคุณทํางานไปนะสิ่งที่จะเกิดก็คือว่าจิตจะไม่เป็นสมาธิใช่ไหม<ช>เวลาทําไปทําไปเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมากวน โทรศัพท์ดังกินกินกินเธอไปกินข้าวเย็นกันเธอไปเที่ยวกันคืนกันเถอะไปละจิตไม่สามารถต้านทานกระแสตรงนี้ได้เพราะความที่จิตเราไม่เป็นสมาธิใช่ไหมหรือว่าทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวอีเมลมาตึ้งไปเช็คอีเมลเดี๋ยวเฟซบุ๊กมาแตงไปเช็คเฟซบุ๊กเดี๋ยวจะไปเล่นอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวไปทํานู่นเกมออนไลน์นี่งานไม่เสร็จสัทีเพราะอะไรเพราะความที่ไม่มีสมาธิ ทำไมไม่มีสมาธิเพามีเรื่องการอยู่ในใจครับความจดจ่อก็เลยน้อยนะครับสมาธิไม่มีสมาธิสมาธิไม่มีก็ถูกเกี่ยวได้ง่ายถูกดึงได้ง่ายถูกดิสแทรกได้ง่ายถูกทําให้ไปทางอื่นได้ง่ายครับเพราะฉะั้นต่อให้คุณตั้งเป้าหมายชีวิตยังไงก็แล้วแต่ถ้ายังเกี่ยวข้องด้วยการมันพลาดเยอะมีรูโว่มากดูเหมือนคนปุตตชนทั่วๆไปก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับท่าน ก็ถึงว่าต้องมาเข้าใจเรื่องการกันอีกนิดหนึับทีนี้ไอ้กามเนี่ยที่บอกว่ามันจะทำให้เราจิตเราไม่สามารถาโฟกัสได้ไม่สามารถทำให้เป็นสมาธิได้เพราะฉนั้นเราจะต้องมาพูดถึงว่าเอสเราจะแก้อย่างไงเราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตของเรายังไงให้ไม่เกี่ยวข้องกับการอันนี้จะพูดในตอนในท้ายๆหน่อยทีนี้จะมาพูดก่อนว่าไอ้เหตุนีกาเนี่ยมันไม่สามารถทาให้เรา อ่มาโฟกัสได้หรือจิตเป็นสมาธิได้เพราะว่าที่บอกว่าธรรมชาติของกามมันดิดดิ้นใช่ไหมใช่ครับมันพลิกแพลงมันเปลี่ยนแปลงมันไปนู่นนี่เราจับมันไม่ทันเนี่ยก็เพราะว่าพรูชาติเคยเปรียบเทียบกับกามนี้ไว้ว่าเป็นสิ่งที่มีทุกข์มากมีโทษมากอนะมันไม่คุ้มกันเลยไม่คุ้มจริงๆนะสมมุติว่าเราออันนี้เคยยกตัวอย่างหลายทีแล้วคนเป็นโรคเรื้อนอ่ะมันมมติว่าโ รถเรือนใช่ไหมอยู่ตามสะพานลอยสมัยก่อนเราจะเคยเห็นตอนนี้รู้มีหรือเปล่าที่ตัวเขาจะเป็นแผลเบิกบะอืเป็นปุ่มๆๆแล้วมันมันแล้วมันก็จะเป็นแบบหนองแล้วนหนองออกมาใช่ัคไหมมันก็จะมันก็จะคันอ่ะคันแล้วก็จะเก่ามาเก่าแล้วก็จะอแผลก็ยิ่งเปิดแผลยิ่งเปิดแล้วก็ยิ่งครับยิ่งแผลยิ่งเปิดก็ยิ่งอะไรมีน้ำเหลืองออกมามากน้ำเหลืองออกมามากก็ แมงวันก็มาต่อมแมงวันมาตอมก็ยิ่งมีเอาเชื้อโรคมาเชื้อโรคมาก็ยิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งเกายิ่งเกาแผลก็ยิ่งเปิดแผลยิ่งเปิดน้ำเหลืองก็ออกมาเนื้อหนืองออกมาแมลงวันก็มาต่อมมาเชื้อโรคก็มายิ่งคันมากขึ้นอีกใช่ไหมไปอย่างนี้เรื่อยๆนะในขณะที่ตรงเนี้เราจะยิ่งมีความเจ็บมาขึ้นเนื่องจากแผลมันเปิดน้ำเหลืองออกมาแต่ว่าในขณะที่เกาเนี่ยเราก็รู้ว่าไม่ควรเกานะแต่ว่าขอกาหน่อยเถอะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเกาแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขที่เกิดจากเกานั้นนิดหนึ่ร อถ้าใครถ้าใครเคยถูกยุงกัดเดี๋ยวแม่หรือว่าหมอหรือว่าใครก็แล้วแต่เขาก็บอกกันทั่วไป่ะว่าลูกอย่าเกาอย่าเกาอย่าเกานะเกาวแล้วมันจะไม่หายนะเกาวแล้วจะเป็นแผลเป็นนะเกาวแล้วมันเวิะครับแต่ว่าขอกาวได้หน่อยวะเดี๋ยเฉพาะเด็กเนี่ยขอขอนิดนึงอ่าครับนิดนึงแล้วไม่หยุดนะนิดนึงแล้วมีรอบสองแล้วต่อไปอีกจนกระทั่งแผลมันเปิดใช่ครับ แล้วก็เป็นแผลเป็นเป็นตำหนิอะไรกันเป็นเรื่องนั้นเลยนะเด็กใช่ครับครับเพราะอะไรหมอทวดพงเพราะความที่มีรสชาติของความสุขที่เกิดจากการเก่าขึ้นนั้นหน่อยหนึ่งอืมครับแล้วถามเทียบกับแผลเป็นที่เกิดขึ้นคุ้มไหมไม่คุ้มเลยตลอดชีวิตเลยนะครับใช่ไหมหรือว่าโรคกระดูต่างๆที่มันจะตามมาเนียโรคแผลอักเสบโรคเชื้อโรคเชื้อหนองอะไรต่างๆโอ้ยเยอะแยะไปหมดใช่ครับครับนี่แหละคือโทษของกรรม พระพุทธเจ้าเปรียบอย่างนี้นะแล้วก็ยังเปรียบแหมถ้าพูดแล้วอาตมาต้องสิ้ขยักขยั่งมากเลยแล้วก็นะคนลุกแล้วไม่อยากจะเสียกามกามมันไม่ดีจริงจกามเนี่ยพระพุทธเจ้ายังเปรียบเหมือนกับท่อนกระดูกนาะยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับมีหมาตัวหนึ่งหิวมากเลยท้องกิ่วเลยนะแล้วก็ไปอยู่หน้าเขียงหมูเขียงหมูเนี่ยถ้าใครเคยไปตลาดเนี่ย แม่ค้าขายเกี่ยงหมูเนี่ยนะเขาจะมีความชํานาญในการใช้มีดมากมีดเขาเป็น<ช>มีอิโต้โตใหญ่ๆเลยนะคมมากฟัดฟัดฟัดฟัดฟัดฟัดอยู่ยงั้นนรับอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะปาดเนื้อหมูออกจากกระดูกหมูเนี่ยนกระดูกครับชนิด ท, ที่เรียกว่าไม่มีเยื่อเหลืออยู่เลยอาจจะมีเลือดติดอยู่นิดหนึ่งตอนนั้นเองความเชี่ยวชาญขนาดนี้แล้วก็เห็นหมาใช่ไหมก็เลยโยนกระดูกนี้ให้หมาแล้วหมารับกระดูกนี้มาเสร็จรับกระดูกนี้มาเสร็จ ก็คิดว่าจะกินให้สบายท้องแต่ปรากฏว่าไม่มีเนื้อเหลืออยู่เลยเยื่อนิดนึงก็ไม่มีติดแล้วถามว่ากินอะไรกินน้ำลายตัวเองอไมุ่้มเลยแล้วกุศลบังอยู่นั่นน่ะน้ำลายไหลหมามายืนหน้าเขียงหมูแล้วก็ยังมีความเสี่ยงจากการที่หมาตัวอื่นเนี่ยจะมาแย่งกระดูกเช่นนี้อีกจะต้องกัดกันอย่างเละเทะใครเคยเห็นหมากัดกันก็จะเป็นประมาณนี้ครับ มีคนเคยถามอาตมาบอกว่าเออท่านแล้วก็เห็นผู้หญิงสวยๆนี่ไม่ชอบเหรอรอาตมาก็จะบอกว่าเาแล้วผู้หญิงสวยๆที่ผู้ชายเข้าไปตามจีบกันเนี่ยเหมือนหมาไปตามแท้ท่อนกระดูกแรงนะ <c oughs> ครับแรง <c oughs> คือมันมันมีทุกข์มากมีโทษมากใช่ครับมีบทุกข์มากมีโทษมากประการที่สามผู้ชายยังเปรียบเทียบกับกามเนี่ยนะเหมือนกับชิ้นเนื้อขาปะ มนกับนกใช่ไหมนกตะกุ่มหยิบชิ้นเนื้อมาชิ้นหนึ่งได้เนื้อมาชิ้นหนึ่งบินบไกลเนี่ยก็จะต้องมีตัวอื่นเนี่ยมาคอยโฉบค่อยกวนคอยเฉี่ยวให้ปล่อยเนื้อออกมาไม่ต้องพูดถึงนกเลยเอาเอ า, เอาไก่ที่วัดป่าตอนศกครั บ, รบในเวลาพระเขาโยนอาหารบิณฑบาต ท, ที่เหลือเนี่ยเหลือชันเหลือเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเศษอาหารอะไรบ้างก็โยนให้ไก่กินใช่ไหมหเศษอาหา ร, ร บ, บางทีมันมาก อาจะเป็นชิ้นขนมปังชิ้นใหญ่ๆเงี้ยมีไก่ตัวหนึ่งจิกไปใช่ไหมหมอละทงหรือเป็นชิ้นผลไม้ชิ้นใหญ่ๆชิ้นหนึ่งเนี่ยมีไก่ตัวหนึ่งจิกไปเนี่ยชิ้นชิ้นผลไม้หรือชิ้นขนมปังเนี่ยคาปากมันอยู่นะจะมีไก่ตัวอื่นวิ่งเข้ามาทันทีนะเข้ามาจิกกินจิกกินบางทีตีกันเพื่อที่จะเอาชิ้นเนื้อชิ้นนี้ครับไม่ต้องพูดถึงนกเลยไก่นี่เราเห็นคาตาอยู่ในเนี่ยแย่งกันหรือเปรียบเหมือนกับคบเพลิงย่า มีคนหนึ่งเอาหญ้ามันเนี่ยมาทําคบเพลิงถือทวนลมไปเพื่อหวังว่าจะไปถึงที่หมายให้ได้แต่ปรากฏว่าถ้าเขาไม่รีบปล่อยคบเพลิงห ญ, ญ้าเนี่ย้คบเพลิงหญ้าเนี่ยความไหมของมันเนี่ยมันจะไม่ไมมือไ่เร็วรไม่อย่างรวดเร็วนะแล้วก็ควันก็เยอะ น, นแล้วก็ใช้งานไม่ได้มากเปลวไฟก็ไม่ได้มากอะไรอืมันก็ยังมีโทษมากด้วยถ้าไม่รีบปล่อยนี่มันก็จะมาไหมมือเรา ใช่เลยแค่ไม่มือไม่หัวไม่ผมไม่ตัวจนตายไปเลยก็มีต่างตัวเล ย, ยเพราะฉะนั้นจึงต้องรีบปล่อยอย่าไปเสพนะการมีย่งเปรียบเหมือนกับหลุมถ่านเพลิงหลุมถ่านเพลิงนี่คืออะไรใครเคยไปไม่ค้าเขาขายของตามตลาดนี่คือถ่านที่มันติดไฟแดงแดงนะ แ, แต่ไม่มีไม่มีเปลวไฟครัถ่านที่ติดไฟแดงแดงแต่ไม่มีเปลวไฟเนี่ยการควบคุมความร้อนของเขาจะได้ทําได้อย่างดีใช่ไหมแล้วก็จะไม่ดับง่ายๆ เพราะถ่านมันติดไฟอยู่ถ่านมันร้อนอยู่มันจะไม่ดับง่ายๆใช่ครับอแต่ถ้าเปลวไฟอย่างเงี้ยดับปุ๊บมันดับเลยนะแต่ว่าถ่านเนี่ยต่อให้เราเอาอะไรมากลบเนี่ยมันก็ยังร้อนอยู่มันสุมความร้อนเอาไว้นะครับเพราะว่าความที่มันมีมันมันแดงแล้วถ่านนะแต่เปลวไฟนี่คือถ้าเอาเอาอะไรมาปิดมันปุ๊บมันคือมันดับเลยใช่ครับเพราะนั้นไอ้ไอ้ถ่านถ่านเพลิงเนี่ยที่ไม่มีเปลวเนี่ยมันจึงอันตรายเนื่องด้วยความร้อนของมันที่มาก ครับมีคนหนึ่งไม่อยากตายใช่ไหมถูกคนถูกบุรุษแข็งแรงเนี่ยจับที่แขนที่หัวที่คอเนี่ยแล้วก็จะไปหย่อนที่หลุมฐานเพลิงนะรับรองบุคคลนี้ต้องดิ้นอย่างสุดแรงเกิดในพื่อที่จะหนีให้ได้ครับอ่เราก็ควรทำอย่างนี้กับกาเหมือนกันกาเนี่ยังเปรียบเทียบเหมือนกับของในความฝันครั บ, ครบใครเคยฝันนะฝันหวานหวานฝันดีดีนะไปสถานที่ที่แหมเคยไป กินสิ่งที่ได้กินไปอยู่ในที่ที่เคยอยู่บางคนฝันว่าเหมือนกับเด็กสอบเข้ามหาลัยบางคนครับฝันว่าตัวเองสอบเข้าได้แล้วเพราะตื่นมาอ้าตายแล้วหลับคาหนังสือเศร้ามากมเลยนะบางคนมาเล่าให้อัตมาฟังอ๋อครับอ่านหนังสือแล้วหลับคาหนังสือจะ่ตัวเองฝันว่าสอบเข้ามหาลัยได้แล้วตื่นมาหายหมดเลยของในความฝันจริงๆครับนี่คือกาม อ๋อครับหรือเปรียบเหมือนกับของยืมเข้ามาครับของยืมเข้ามานี่คือเรายืมเข้ามายังไงก็ต้องคืนต้องคืนครับใช่ไม่ว่าจะเอามาใช้ยังไงก็ต้องคืนนะขอมาทวงคืนเราก็ต้องคืนเหมือนกันเวลาความตายมาถึงคุณคืนหมดไม่มีทางออกไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวใช่ครับแล้วก็ยังเปรียบด้วยกับผลไม้ที่อยู่บนต้นผลไม้อยู่บนต้น่ะหมายความว่าผลไม้เนี่ยมันออกมาจากต้นใช่ไหมมีบุตรคนหนึ่งต้องการผลไม้ ไปหาผลไม้ก็เจอต้นไม้นี้เข้าโอ้โหลูกโดกด้วยลูกก็น่ากินด้วยแต่ลน่นอยู่ที่พื้นไม่มีแหมโชคดีหน่อยที่อิชยัยอิตาคนนี้เขารู้วิธีขึ้นต้นไม้ก็เลยปีนขึ้นต้นไม้ไปเนี่ยไปเก็บลูกมากินนะแล้วก็คิดว่าจะห อ, อกกลับบ้านด้วยปรากฏว่ามีชายคนที่สองก็ตามมาอีกเขาต้องการซึ่งผลไม้เหมือนกันเขาก็มาเห็นต้นไม้ต้นนี้แต่ปรากฏว่าเขาขึ้นต้นไม้ไม่เป็นแต่เขเตรียมขวานมาด้วย ก็เลยคิดว่าจะเอาขวานเนี่ยจามมันที่โคนนะต้นไม้หล่นลงมาเด็กก็จะเอาเก็บลูกกินนะ<อ>ชายคนแรกที่อยู่บนต้นเนี่ยถ้าเผื่อเขาไม่รีบลงมาก่อนเนี่ยนะเขาก็จะต้องตกล ง, กลงมาหรือบาง<ห>ทีกิ่งไม้ทับบ้างตกลงมาตายบ้างหรือว่าแขนขาหาักบ้างใช่ไหมครับนี่คือลักษณะของกามอืมแนะกามเปรียบเหมือนกับต้นไม้ก็แดละว่าถ้าคุณมีลูกออกมานะยังไงมันก็ลูกเนี่ยต้องฆ่าต้นแม่มันครับ หรือว่าอย่างขุยไผ่ค่าต้นไผ่ใช่ไผลไม้ปลีกล้วยค่าต้นกล้วยนะลูกมอะอัศดรงค่าแม่มันนะลักษณะนี้อนพอมีเอเกิดลูกหรือเกิดผลออกมาต้นเดิมก็ต้องตายก็ต้องตาย<ช>หรือได้รับทุกข์เกิดขึ้นเอ<ะ>า ง, ง่ายๆแค่ว่า ต้นไม้ธรรมดาไม่ได้อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเวลาลูกออกมาเนี่ยเขาต้องปีนขึ้นต้นไม้ น, น, ไม น, น, ไมนกิ่งก้านอะไรมันก็ต้องมีความเสี่ยงกับการจะหายใช่ใชครั บ, <ช>รบนี่ก็เป็นทุกข์โทษที่เกิดจากกามละ่ะอโอ้โหมีโทษมากจริงจริงมีโทษมากจริงๆนอกจากนี้ยังพระเจ้ายังเปรียบอย่างอื่นอีกนะอย่างเช่นว่าเปรียบกับของในความฝันใช่ไหมครับเปรียบกับท่อนกระดูกเปรียบกับผลไม้เปรียบกับเคี่ยงสับเนื้อเคี่ยงสับเนื้อเนี่ยมันไม่ได้กินเนื้อหรอก หรือรเี่ยบกับทับ พ, พีตักแกงนะเปรียบด้วยหอกกหะลาวนะเปรียบด้วยหัวงูหรือเปรียบกับเวลาที่เราเข้าไปดงหนามอย่างเงี้ยจะต้องระวังอย่างที่สุดเลยข้างหน้าก็มีหนามข้างบนก็มีหนามข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาข้างล่างมี้นามเต็มไปหมดครับโอ้ต้องระวังอย่างที่สุดนะนี่คือกรารครับแล้วกามเนี่ยนะแม่มันอันตรายมากมันไม่ใช่เฉพาะกับคารวาหรือว่า สมมติอ่ะฉันบอกว่าฉันเลิกลระรถเบนซ์เหรอขายขับโตโยต้าเก่าๆธรรมดารหรือว่าไปอยู่บ้านหลังตโตๆใช่ไหมไม่เอาละมาอยู่บ้านจนๆดีกว่าไปอยู่กับยาจกเพื่อที่จะหลีกออกจากการรมถามว่าอย่างนี้จะเวิร์กไหมอย่างพระอย่างเงี้ยอย่างพระเหมือนเหมือนพระเนี่ยละละทิ้งทรัพย์สมบัติทางโลกไปหมดแล้วก็อยู่บริขาร ทีนี้อย่างพระอิอันตมาอย่างเี้เป็นต้นนะเมื่อก่อนเรามีกองเกีงด็อกเกอร์เสื้อวาซาช่รองเท้าแหวนลีนาฬิกาโอ้ยางเลื่นหรูพอเรามาบวชเป็นพระแล้วใช่ไหยพวกนี้เอาออกหมดไอเราเราก็คิดว่าเออเฮ้ยเอาออกไปแล้วแหมสบายดีจริงๆนะมันเบาแล้วมันก็ไม่ต้องมีภาระโทรศัพท์ก็ไม่ต้องรับนั่งสมาธิอย่างเดียวดีมากๆเลยเราก็ทํากิจของสงฆ์กิจของสงฆ์มีอะไรเอาย้อมผ้าเป็นต้นนะเอาก็ไปย้อมผ้าใช่ไหมย้อมผ้าทําผ้ามาเนี่ยเราพบว่าอ้าวตายละ ผ้าเรานี้ไม่ได้ทําง่ายๆเพราะเราทําไปทําไปเรามีแมลงมันมาพอเราตากผ้าอย่างเงี้ยน้ําย้อมเนี่ยมันยังไม่แห้งดีมันก็จะมีตัวแมลงที่มันมากินน้ําย้อมอมันก็กัดผ้าเราด้วยนะผ้าเราสัตดรอยย้อมมาอย่างดีเนี่ยมันมากัดเราเป็นรูประมาณเท่าอ่าเท่านิ้วก้อยอย่างเงี้ยโอ้เรารู้สึกมีความทุกข์มากโอ๊ยผ้ากูทํามาอย่างดีมันมากัดของเราได้ไงที่เรามีความกําหนัดในผ้าของเรา อ๋ออันนี้ก็เป็นเป็นกาเหมือนกันใช่นี่เป็นกาเพราะอะไรเพราะว่าเราเพลิดเพลินยินดีนะไปตามของข้างของทั้งข้างที่เป็นผ้าย้อมน้ำฝาดไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากเบมืนตามกรรมคุณใช่ผ้าของจิดจืดของแบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยเป็นอารมณ์ที่วิจิตรพิสดายังมีความกำหนัดได้อ๋อนี่คือกามันอันตรายมากมันเอาเราทั้งสองทางหรืออย่างผ้าอย่างเงี้ยเปลี่ยนบาอยูบ่อย ในเดือนนี้เขาฮิดบาทอะไรบาทเหล็กใช่ไหมเปลี่ยนบาทเหล็กใช้ไป2ปีสาปีเขาฮิตและฮิตไปบาทสเตนเลสต้อเปลี่ยนบาทสเตนเลสในเดือนนี้เขาฮิดผ้าไหมอาเปลี่ยเป็นผ้าไหมเดี๋ยวเขาฮิตผ้าป่ายินเดียเปลี่ยนผ้าปายินเดียในอย่างงี้มันคือการเพราะยังมีความตริตติไปตามอํานาจของการมาคุณนะเปลี่ยนไปตามเรื่องโลกเขาเปลี่ยนไปงั้นแล้วก็เปลี่ยนไปงั้นนะอันนี้ไม่ถูกแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามเหตุผลได้นี่คือการมละเอียดอย่างนี้ต้องระวังให้มากครับ อพอเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องระวังมันให้มาเพราะว่าถ้ามันมาแล้วเนี่ยจิตเราจะไม่เป็นสมาธิครัะไม่มีทางที่เราจะทําจิตของเราเนี่ยให้นิ่งอยู่ได้เนื่องจากธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติที่ดิดดิน้นพลิกพลิว้วมีเล่กลเอาอย่างนี้ไมเมเราจะไปเอาอย่างอื่นด้วยอย่างนี้นะครั บ, รบทีนี้กามเนี่ยนอกจากจะทําให้เราชิบหายอย่างนี้แล้วนะ มีทุกโทษมากอย่างนี้แล้วนะก็จะมีคนถามมาจมาบอกว่าเอางี้แล้วชีวิตจะมีสีสันจากไหนอ่ะอออืมสีสันของชีวิตมันหมดไปเลยนะจืดไปเลยนะถ้าไม่เสพกามนี่ครับอย่างผู้ <That> ผู้บูชาการได้กามนะากอย่างเงี้ยอย่างผู้บูชาการได้กามเนี่ยนะเขาก็จะจะพูดอย่างนี้กันผู้บูชาการได้กามเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าเธอต้องใช้กระเป๋าหลุยนะเอออ่าเธอต้องใส่รองเท้าแบรลี่นะ เธอ<ม>ต้องทําผมทรงนี้นะเธอถึงจะมากลุ่มฉันได้มีกลุ่มนี้นี่ iPhone เท่านั้นนะ Android อ, อย่างมาเนี่ยเธอต้องทําผมทรงนี้นะเธอถึงจะมากลุ่มฉันได้สมัยอาตมาเป็นนักเรียนเนี่ยเขานิยมทําผมทรงบังเกอร์กันกลุ่มนี้นะี่มีแต่ผู้หญิงทําผมทรงบังเกอร์หมดเลยนั้นแล้วผู้ชายก็ต้องเอาผมแบบปีกแมงทับมาไว้งหลังเนี่ยต้องทําผมอย่างนี้เท่านั้นถึงจะมาเข้ากลุ่มฉันได้เนีย่ยเป็นอย่างนั้นนะครับผู้บูชาการได้กรรมหรือว่าจะบูชาว่า สิ่งนี้เท่านั้นสิ่งอื่นไม่คือบูชาสิ่งที่เป็นกรรมคุณน่ะครั บ, รบแต่ไม่ได้บูชาคุณธรรมว่าโอคุณนี้เป็นคนมีศีลนะอามาร่วมกลุ่มกันอันนี้เป็นคนดีนะแต่ถ้าคุณบูชาสิ่งของคุณบูชาประตูอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยคือพวกบูชาการได้กรรมครั บ, รบพวกนี้จะมีปัญหาอะไรคนผู้ที่บูชาการได้การมเนี่ยจะมีทุกโทษคือว่าจะมีความยากจน<อ>เพราะว่าอะไร ยากจนยังไงครับการเพราะว่าไม่พออ๋อมีความต้องการอยู่เรื่อยเรื่อยใช่คุณมีไอโฟนสี่ใช่ไหมไอโฟนห้ายังไม่ทันออกนะคุณอยากก่อน่ะอยากละครับอย่างนี้มันจะอิ่มได้ไงมันไม่มีทางพอนี่คุณยังจนอยู่ไอโฟนห้ายังไม่ทันออกนะคุณอยากแล้วนะเนี่ยคือคือเรียกว่ามันมันไม่อิ่มอ่ะมันหิวอยู่เรื่อยจนคนจนเข็นใจและทรัพย์สินบัตรเนี่ยย่อมกู้หนี้การกู้หนี้เนี่ยเป็นทุกข์ของผู้บูชาการได้กาม เขาจะต้องกู้หนี้ในจะการไปคุยกับคนนั้นคนนี้ว่าเออมันดีอย่างงั้นอย่างนี้หรือว่าต้องไปทําสิ่งที่เป็นบาจารย์ไม่ไม่เป็นสุจริตใช่ไหมพูดเรื่องบ้าบอๆอย่างนี้นะแล้วก็กู้หนี้เนี่ยเป็นทุกข์ของคนบริโภคกันในโลกแล้วกู้หนี้มาแล้วต้องใช้ดอกเบี้ยในการใช้ดอกเบี้ยก็ต้องเป็นทุกข์ใช้ดอกเบี้ยแล้วใช้ไม่ไหวใช่ไหมก็ถ e ูกทวงหนี้ในการถูกทวงหนี้ก็เป hmm ็นทุกข์ถูกทวงหนี้แล้ว ใช้ไม่ไหวต้องหนนะีการที่ต้องถูกเขาติดตามเนี่ยก็เป็นทุกเป็นทุกอีกนะถูกติดตามแล้วถูกจับกลุ่มได้ก็เป็นทุกเป็นทุกอีกเพนะระาะฉะนั้นการความยากจนการกู้หนี้การใช้ดอกเบีย้ยการต้องหนีการถูกติดตามการถูกจับกลุมเป็นทุกข์ของคนบริโภคการในโลกทั้งหมดออันนี้เห็นชัดเจนนะครับรถ้าเปรียบเทียบเป็นในทางธรรมท่นะานผู้ชมเปรียบเทียบความยากจนเนี่ยเหมือนกับคนที่ไม่มีฮิริไม่มีโอตปะไม่มีศรัทธาไม่มี วิทยาไมมีปัญญาคือไม่มีอริยรัพยหะอย่างครับไม่มีอริยทรัพย์ข้างอย่างใช่ไหมจิตของ ค, ค, คุณนี้เป็นประเภทที่ชุ่มอยู่ด้วยกามนะ อ, อย่างที่สองคนที่ยังชุ่มอยู่ด้วยกามเนี่ยเขาจะทํากายวาจาใจอันไม่บริสุทธิ์กายวาจาใจอันไม่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นผู้ที่ชื่อว่าต้องกู้นี่ละคือคนที่ไม่มีอริยทรัพย์เนี่ยเป็นคนจนใช่ไหมพอคนจนแล้วคุณต้องทํำกายวาจาใจเป็นทุจริตเนี่ยชื่อว่ากู้ี่ อพอกู้นี่มาแล้วต้องใช้ดอกเบีย้ยนะดอกเบียเ้ยนี่คือเขาก็ยิ่งต้องทําปกปิดกายวาจาใจา เ, าเป็นทุจริตของตัวเองนะปกปิดเราจะถามว่าคุณไปทํางานในที่ทํางาน ค, คนที่ไม่ใช้เวลาทํางานในเวลาทําอย่างอื่นใช้เวลาทํางานไปในการเล่นอินเทอร์เนต็ต เ, เขาเรียกว่าเ <NS N, S 1> อ็คุยโทรศัพท์ทิชชู่กับเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้นะถามว่าคุณจะต้องปกปิดการกระทําของตัวเองอันนี้ไหม แม้หน้าจอาคอมพิวเตอร์เราเนี่ยไม่อยากให้คนอื่นเห็นเลยใช่ครับ น, นี่แหละคือการที่ต้องอถูกปกปิดถูกตามดอกเบีย้ยดอกเบี้ยที่เธอต้องใช้อ่ออ่าแล้วถูกถูกตามดอกเบี้ยอย่างนี้นะใช้ไม่ไหวนะยังทําอยู่อีกใช่ไหมเดี๋ยวก็จะต้องมาถูกถวงนี้เขาก็จะงมาบอกเลยว่าเธอทําอะไรอย่างนี้น่าเกลียด จ, จังไม่ควรทําอย่างนี้นะก็คือเปรียบเส ม, มือนว่ามีคนอื่นมาด่ามาว่ามาทวงมาตําหนินรเรารใช่ไหมยังทําอยู่อีกใช่ไหมยังทําอยู่อีกนะยังไม่เลิกนะ เวลากาลากับบ้านไปเวลากลับบ้านไปเนี่ยมันก็จะมีความกังวลงานไม่เสร็จบ้างงา น, งานไม่เดินบ้างงาน ค, ค้างบ้างจะมีความกังวลเนีนะ่ยเขาเรียกว่าความอากุศลวิตกเนี่ยย่อมกลุ่มรุมจิตของเธอแม้ว่าจะไปอยู่ในบ้านอยู่ในป่าก็โดนหมดอยู่คนไม้อยู่เรือนบ้างก็ยังกุ้มใจอยู่คไหนยังทําอยู่อีกใช่ไหมเนีพอตายไปย่อมตกนรกกาเนิดอยแต่สารเปวิสัยอทุคติ ใช่ไม่เห็นการจองจําใดที่มันจะแย่ไปกว่านี้เลยที่จะเป็นอันตรายที่ต่อยกเขมมาทำเหมือนอย่างการไปอยู่ในอบายภูมิพวกนี้เลยครับนี่กําเนิดเดรจฉานเป็นเดริวิสัยนี่คือทุกของคนบริภูชาการได้กามอืครับอย่างนี้ก็เครื่องออกจากกามแค่นี้ไม่พอหรือหมอหรือพังไม่พอนะครับครับยังไม่พอกามนี่มีทโทษมากจริงๆอะมาเนี่ยครับไม่รู้จะพูดไงคนลุกไง คือว่าคนที่บูชาการได้การาบเนี่ยนะเขาจะต้องไปหางานทำนะหางานทําคืออันนี้พูดถึงคนดีหรอกนะ ค, คนดีจะไปหางานทําไม่ว่าจะเป็นอาชีพการใช้มือการใช้การคํานวณการพยากรณ์การทำไร่ทำนาทําทสวนค้าขายเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งกระดั บ, บเป็นเสร็จแล้วเนี่ยต้องต่อสู้กับความหนาวความร้อนความหิวความกระหายไม่ได้กินตามเวลานะย่อมเป็นทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะ เพราะกามเพราะกามกล้เพราะกามเป็นเหตุอย่างเช่นว่าใครจะบอกว่าฉันทํางานออฟฟิศนะไม่เห็นต้องเหงือออกเลยปะโถเออแล้วเวลาประชุมยันยาวยาวอย่างเงี้ยนะไปกินข้าวเที่ยงถึงเวลาเที่ยงไม่ได้ไปกินข้าวอย่างเงี้ยก็แย่พอละแต่บางคนจะต้องไปพรีเซนต์ข้างหน้าแล้วตัวเองไม่ได้เตรียมตัวมาไปลาไปพูดเหงือแตกออกจากกันแล้วอย่างเงี้ยแล้วถามว่าก็ทํางานออฟฟิศเหมือนกันอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือคือโทษของกลามแค่นี้ยังไม่พอ นะเพื่อที่จะหวังเงินใช่ไหมแต่ทําไปทําไปปรากฏไม่ได้ตามที่หวังนะไม่ได้ตามที่ยอดตั้งเป้าไว้ไม่ได้โบนัสคราวนี้หวังโบนัสสมเดือนได้ครึ่งเดือนโอ้โหเสียใจนั่นแหละเป็นโทษของกรมครับคิดว่ามวัวๆคิดว่าความข ย, ยันของเราเป็นหมันหนอความพยายามของเราไร้ผลนอนอย่างเงี้ก็เป็นความเศร้าแค่นี้ยังไม่พอ <c oughs> ได้เงินมาแล้วใช่ไหมยังต้องเก็บรักษาเก็บไว้ในธนาคารบ้างซื้ออสังหาริมารัพย์บ้างนะ ทำอย่างงาู้นอย่างนี้บ้างเอาไปลงทุนบ้างซื้อหวยบ้างรปรากฏว่าหวยบางทีเขาไม่ถูกนี่ก็เป็นทุกข์ของคนบริโภคกรครมซื้ออสังหาริมทรัพย์มาซับมาทำไมราคามันตกนี่ก็เป็นทุกข์ของคนบริโภคกรรมอีกนะเอาเงินเก็บไม่ดีดีอา่าวตายแล้วทำไมมีภาษีย้อนหลังนี่ก็เป็นทุกข์ของคนบริโภคกรครมนะตั้งใจว่าจะเก็บไม่อย่างดีเลยไม่ให้ไฟไม้ไม่ให้น้ําทั่วแม่พระราชามาเอาไปแม่ทาติที่ไม่พอใจมาเอาไปเกิดมีลูกเป็นคนล้างผลาญมันขอเงินไม่หยุดไม่หย่อนอันนี้ก็เป็นทุกข์ของคนบริโ ใช่ครับแย่ไหมหมอท่าพงศแย่ครับฟังแล้วมาคนลุกไม่ยจะพูดต่อแต่ต้องพูดให้ฟังใช่ครับโทษอย่างอื่นยังมีอีกโทษนะมใช่ บ, บางทีพ่อแม่ด่ากันนะลูกทะเลาะกันนะพี่ชายทะเลาะกับพี่ชายญาติทะเลาะกับญาตินะอามาตทะเลาะกับอามาตบุตรวิวาทกับมารดาบ้างมารดาวิวาทกับบุตรบ้างนั่อเพราะกรรมทั้งหมดเอาอย่างง่า ย, ายแม่ทําไมเถียงลูกทําไมลูกเถียงแม่ครับเพราะกาม ไม่มีเหตุอย่างอื่นเลยอย่าง<ม>เช่นว่าลูกบอกว่าแม่บอกทำคราบชาห้องสีลูกลูกบอกว่าไม่ทำจะดูหนังก่อนเอาละมันจะเริ่มเี่ยงกันละนีเ<ช>พราะการใช่ไหมเพราะว่าอะไร <Okay. S 1> เพราะว่าเราต้องการจะยึดในความลุ่มหลงมัวเมาในความสะอาดอย่างเงี้ยทางตาใช่ไหมทางหูใช่ไหมนะไอคนหนึ่งก็ไปลุ่มหลงมัวเมากับทีวีเพราะกา ร, รเป็นเหตุนี่ไงจึงเทียงกันใช่ไหม หรือบางทีบอกว่าลูกทําไมสอบไม่ได้อา่าวสอบไม่ได้ใช่ไหมแม่จะด่าเอา้าก็ก็แม่มีความรุ่มหลงในสิ่งสิ่งนั้นไม่สามารถปล่อยวางได้ไอ้ลูกนี่มันก็ยันไปติดเกมมันไม่สามารถมาอ่านหนังสือทําให้ทําสอบให้ผ่านก็เพราะกามอ่ะครับถูกไหมเพราะกามเป็นเนี่เพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวนะพระราชาที่ตีกันเนี่ย ด่ากันข้ามเมืองเนี่ยก็เพราะกามทำาไมคุชฮุนเซนกับอภิสิทธิ์ด่ากันก็เพราะกา ร, รก อ, าอ า, า ก, กามแค่นี้ไม่พอนะหมอธงใงรที่เขาลบกันเน่ยลบกันนะตั้งเป็นกองทัพลบกันก็เพราะกามทำาไมในริเบียมันลบกันก็เพราะกา ร, รนะแค่นี้ไม่พอทำไมคนที่ลบกันในสงครามมีการปล้นบ้านปล้นเมือง นะทำไมพระราชาจะต้องจับคนมาลงโทษทำไมต้องมีสารทำไมต้องมีการลงโทษประหารชีวิตลงโทษชนิดต่างๆก็เพราะการรมเพราะการรมเป็นเหตุเพราะการมเป็นเครื่องกอ่อเพราะการรมเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการรมนั่นเดียวเป็นผู้บูชาการได้กรรมทุเละที่สุดคิดดูนะที่เรามาฟังรายการนี้อยู่จนตั้งจะชั่วโมงเลยยังไม่หมดเนี่ยก็เพราะการมนะต้องอธิบายให้เข้าใจเรื่องกรม โอ้ยร้อยแปดันในเอกเนี่ยจริงๆมันต้องสามนาทีเสร็จนะันี่มันจะชั่วโมงแล้วนะยังไม่เสร็จก็เพราะการมเพราะการมเป็นเหตุเพราะการมเป็นเครื่องก่อเพราะการมเป็นเครื่องบังคับให้กระทาเป็นไปเพราะการมนั่นเดียวน่ากลัว ม, มากมากครับไม่ใช่เรื่องรธรรมดาครับแล้วเรายังจะตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อให้ได้การมเหรอโอ้โหมันทุเร่ที่สุดเป็นผู้บูชาการได้กามไม่ควรเลยครับ<ม>แล้วเพื่อนๆนของพระจารย์นี่ เข้าใจไหมครับพอพระอาจารย์ได้แจกแจงในลักษณะนี้นะครับมาก็ไม่พูดกับเขาแรงขนาดนี้หรอกเพราะว่าเพราะว่าเราก็ต้องอธิบายตามเท่าที่เขาพอจะเข้าใจได้ครนะก็พูดถึงเรื่องความาจิตให้เป็นสมาธิเท่านั้นเองนะแล้วก็ต้องเป็นสมาธิก็จะไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่าละเอียดไปกว่านี้ก็จะพูดถึงเรื่องคอนเซปต์หลักการของบุญของบาปกรรมนะกรรมดีกรรมชั่วแค่แค่ประมาณนี้ ซึ่งรายละเออย่างนี้เราก็จะมาพูดเฉพาะในรายการพอดแคสเ่านั้นแหละพูดไปที่อื่นเด็กเขาก็จะว่าเราได้ัว่าเราเหมือนสุดโต่งอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นที่จะสรุปให้ฟังตรงนี้ก็คือว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตยังไงล่ะเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้เป็นคนดีหรือว่าถ้าลูกสอบไม่ผ่านแล้วฉันจะด่าลูกนี่ก็เป็นการบูชากันได้กามอย่างนั้นเหรอเราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้นะว่าข้อที่หนึ่ง Uh, เป้าหมายสิ่งที่เราอยากที่จะได้เอาอยากได้ด้วยกันละกันหรือว่าเราต้องการตั้งความ <Okay. S 1> ต้องการเอาไว้ในลักษณะไหนนะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่กำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาในทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือไม่มถ้าเป็นแอดเธอจะมีความเสี่ยงในการที่จะมีความทุกข์ในสิ่งที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดเดี๋ยวทดลองกันบ้าง อ๋อเป็นหลุมพลางเป็นหลุมพลางของความอยากเป็นหลุมพลางของกามแตนะ่ถ้าจะพูดให้ถูกทํำยังไงเอาง่ายๆคุณต้องการเป็นเศรษฐีเงินล้านใช่ไหมครับทําไมอะ่ะอ๋อมีเงินมากๆก็ซื้อสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้สิราเป็นยังไงเอมันก็มีความสุขจากสิ่งพวกนั้นสิมีความสุขแล้วยังไงมันก็มีอิสระนะสิระฟรีดอมใครๆก็อยากได้อิสระเนี่ยอิสระแล้วจะทํำยังไง บางคนเนี่ยต้องการความอิสระในชีวิตต้องการความสุขในชีวิตแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับสิ่งนั้นด้วยซ้บเอาความสุขมาแล้วยังไงไม่รู้จะทําอะไรกับมันเอาอิสระมาแล้วยังไงไม่รู้จะทําอะไรกับมันนึกออกไหมเป็นธาตุของกามครับเนี่ยเป็นธาตุของกามครับถามว่าแล้วเราคนจะตั้งเป้าหมายในชีวิตยังไงอืุคนยังไงครับอาจาในการที่เราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตนะเราจะทําไงให้ส่วนของกามเนี่ยหลุดออกไปครับนั้นเราเอาพูดง่ายๆว่าเราหนึ่ง ที่เราเคยพูดไปเมื่อคราที่แล้วหรืออพิโซดที่สาิบหกหรือสาสิห้านี่แหละที่เกี่ยวกั บ, รบเรื่องฉันทะใช่ไหมแบบสันโดษอ่าเพราะเราให้มีความสันโดษในปัจจุบันสันโดษเนี่ยเขาจะบอกว่าพอเพียงพอพอใจใช่ไหมเราก็ใช้คาว่าพอเพียงก็แล้วกันับสันโดษพอเพียงในสิ่งที่เรามีอยู่สภาพที่เรามีอยู่ลูกที่เรามีอยู่ความสามารถที่เรามีอยู่แต่แล้วให้พอใจในสิ่งที่เราตั้งเอาไว้พอใจในที่นี้เนี่ยก็ต้องพอใจในคุณธรรมทางใจที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่พอใจในทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเช่นว่าคุณต้องกานมีเงินล้านใช่ไหมเอางี้ล้การคุณตั้งเป้าใหม่นะทํายังไงถึงจะบริการลูกค้าได้อย่างดีที่สุดอ๋อครับนะหรือจะทํายังไงถึงจะทํางานของเราได้อย่างดีที่สุดทํำยังไงถึงจะมีเพื่อนร่วมงานให้ทุกคนในใ น, ในที่ทํางานเนี่ยทํำงานอย่างตเต็มที่ อ, อนะมีความสามาัคคีกันตั้งไว้ซึ่งคุณจะทำตรงนี้ครับนะแล้วอันดับที่ตัวเราเองทํายังไงให้พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ ลูกเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็พอใจในสิ่งที่เขาเป็นละกันแต่รเราก็ต้องห้ามเขาเสียจากบาปหน้าที่<ช>ของเราเราต้องทำํำห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีนี่คือในกรณีอของพ่อแม่อคุณคเป็นพนักงานบริ ษ, ษัทใช่ไหมคุณทํางานอย่างดีที่สุดหรือเปล่านะเอาเกียรติคุณของนายไปรํารือหรือเปล่ามาก่อนกลับที่หลังหรือเปล่านะทํางานอย่างดีที่สุดหรือเปล่าไม่ถือเอาทรัพย์ที่นายไม่ได้ให้หรือเปล่า น, นี่คือสิ่งที่ต้องทําในปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุด แลนะโดยการที่ให้พอเพียงอยู่กับสิ่งที่เรามีให้พอใจในสิ่งที่เราตั้งไว้ในอนาคตคนะเราจะเป็นผู้ที่ไม่ตกอยู่ในท่าตของกรรมเอาแล้วโทรศัพท์เสียจะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยไอโฟนห้าจะออกนะจะเปลี่ยนได้ไหมทําไมจะไม่ได้ถ้าเผื่อว่ามันมีเหตุที่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะอย่างเช่นว่ามีฟังก์ชันที่เราจําเป็นต้องใช้ในการงานของเรารหรือว่ามีโทรศัพท์เก่าเสียโทรศัพท์ใหม่ต้องมีใช้ราคาพอเหมาะพอสมเราก็เปลี่ยนได้ ครับลักษณยีครับไม่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้ด้วยใชยใช่ครับทีนี้ว่าที่อาจารย์มาต้องการจะพูดก็คือว่ากามเนี่ยนะมันเกิดมาจากกามาธาตุอ๋อกามาธาตุใช่มีตัวหนึ่งครับพระพุทธเจ้าพูดถึงธาตุนะอย่างกามาธาตุจึงเกิดกามคุณนะกามคุณจึงเกิดกามขึ้นมาเพราะฉะนั้นถามว่ากามาธาตุมันมีอยู่ในที่ไหนมีทุกที่เลยหมอแล้วท่าู กลับทุกที่เลยหยิบขวดน้ํามันก็มีกรรมมาธาติติดมาหยิบนาฬิกามันก็มีกรรมมาธาติอยู่ในนั้นหยิบหนังสือมันก็มีกรรมมาธาติอยู่ในนั้นถามว่าเราจะป้องกันยังไงกรมมาธาตินี่คือดินน้ําลมไฟอย่างนี้หรือเปล่าครับท่านอันนั้นคือถ้าตุดินธาน้ําาตุไฟธาตลมก็มีอยู่<อ>นะคือกรมมาธาติก็มีอยู่หนึ่งอรือไหมเอาอย่างพูดง่ายๆอย่างเช่นเนคขมาธาติอย่างเงี้ยธาติในการออกจากกรรมมีอยู่ไหนมีอยู่ในทุกที่เลยมาเลพง ใช่ครับทำไมทางอามาถึงพูดอย่างนั้นอย่างเวลาใบไม้ร่วงลงมาอย่างเงี้ยเวลาใบไม้ร่วงลงมาเนี่ยคนที่เขามีธรรมะเนี่ยเขาจะเห็นธรรมะในการที่ใบไม้ร่วงอเอาแค่เด็กเดินมาใส่บาตอย่างเงี้ยคนที่มีธรรมะเนี่ยเขาจะเห็นธรรมะในการที่เด็กใส่บาตคนที่มีธรรมะจะเห็นธรรมะในขวดน้ําคนที่เป็นธรรมะจะเห็นธรรมะในนาฬิกาเพราะว่าอะไรเพราะว่าในนั้นมีธรรมาธาตุอยู่เพราะว่าในนั้นมีเนกขมาธาตุอยู่ แตจิตของคุณน่ยมันละเอียดพอที่จะเข้าไปรับรู้าธาตุนี้ไหมล่ะ<อ>แต่ถ้ามันไม่ละเอียด ค, คุณไปรู้แต่กรรมธาตุถามว่าคนที่ชุ่มอยู่ด้วยการมนะวดพงศ์ใบไม้ร่ว<ๆ>งลงมาก็คิดเรื่องการมได้เห็นกวดน้ําก็คิดเรื่องการมได้เห็นเด็กใส่บาตรเขาก็คิดเรื่องการมได้เห็นนาฬิกาเขาคิดเรืร่องการมได้เพราะจิตเขาชุ่มอยู่ด้วยกรรมมีมีการอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยให้เข้าไปรับรู้สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ละเอียดเนะช่นสิ่งที่ เป็นกุศลนะ่ะทําไมจะไม่มีมันมีในทุกที่อ่ะแหละใช่ครับอืมเพราะฉะนั้นจะเห็นอะไรเป็นธรรมะได้เนี่ยมันก็ทําได้อย่างคนที่อพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงเหตุปัจจัยของความเกลียดคร้านกับเหตุปัจจัยของการปรารถความเพียรอย่างละแปดอย่างเนี่ยเหตุปัจจัยเหมือนกันเลยแต่คนที่ทําความเพียรก็ปรารถความเพียรคนที่ขี้เกียจมันก็อาศัยเหตุอะไรมาขี้เกียจได้หมดคนที่ขยันมันก็หาเหตุปัจจัยอะไรมาขยันได้หมดอันนั่นคืออะไรนั่นคือสัมมาวยามาธา มันมันก็มีอยู่ในทุกที่มิจฉาวายมะธาตุก็มีอยู่ในทุกที่ซึ่งรเรื่องธาตุตรงนี้นะคิดว่าจะมาพูดละเอียดในครั้งต่อไปจะดีกว่าเพราะฉะนั้นถึงต้องบอกว่าเราจะต้องหลีกออกจากกามนะต้องเหิร์นาจากกรรมเอาแล้วงี้เวลาเห็นของสวยๆงามๆอย่างเงี้ยแม้มันก็ลุ่มหลวงไปนะใช่ครับฟังเพลงมันก็เพลาะซึ้งะนะใช่บางทีก็อแหมเพลาะจังเลยเ อ, อ่าแล้วเนี่เป็นความสุขเป็นสีสันในชีวิตด้วยเขาพูดกันนะ่ะใช่ครับถามว่าเราจะป้องกันยังไง ทำยังไงดีครับท่านอย่างเ ร, รื่องของสีสันในชีวิตอะขอพูดถึงประเด็นนี้ก่อนอย่างเช่นบังว่ า, าจะต้องไปตีกอฟนะอหรือว่าไปดูหนังตีกอล์ฟนี่อาจจะเป็นออกกําลังกายคุณอาจจะพิจารณาในลักษณะนั้นได้อาจจะรีออกได้ง่ายแต่ยังไปดูหนังอย่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้อ ป, ป๊อปคอร์นมากินอย่างเงี้ยนะวิกเก้์ไม่มีอะไรทำใช่ไหมไปหาดูหนังฟังเพลงเที่ยวห้างให้พวกนี้กามชัดครับนะกามคุณชัดๆัด ถามว่าคุณไม่ไม่ไปทําพวกนั้นได้ไหมก็ได้ถ้าหาความสุขในภายในเหมือนกับเอาเราเอากล้วยกับเอาเพชรเมร็ดเท่าหัวแม่โป้งเม็ดนึงเนี่ยเอาไปให้ลิงเนี่ยลิงจะเลือกอะไรลิงก็เลือกกล้วยสิเพราะมันเห็นคุณค่าในกล้วยแต่ถ้าเอาไปให้คนนะคนก็เลือกเพชรเพราะว่าคนมันฉลาดไงถามว่าลิงเลือกกล้วยเนี่ยถูกไหมมันก็ถูกของลิงด้วยความที่มันเป็นลิงเพรา ะ, ะเราจะเป็นลิงหรือจะเป็นคนหลัก เนั้นคนจะไม่บริโภคการได้เนี่ยคุณต้องมีของทดแทนนะข้อที่หนึ่งสีสันในชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นสีสันที่เป็นความสุขในภายในได้สีสันของชีวิตคืออะไรคือคื อ, อคือกามคูนถูกไหมคุณจะมีกามคูนอย่างนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่ากิจกรรมอะไรที่จะเป็นไปเพื่ อ, อทําให้ไม่มีการสมรุมอินทรีย์เราก็เลิกนะอย่างเช่นว่าไปดูหนังฟังเพลงอย่างนี้จะทให้ดูการละเล่นอันเป็น ค่าศึกษาคุณศุลธรรมอันนี้ไม่ควรแต่ถ้ากินอาหาร อ, อร่อยๆอาหารดีๆได้ไหมได้ถ้าเราพิจารณาเป็นครัแล้าก็ใส่เสื้อผ้าสวยๆวใช้โทรศัพท์<ม>ดีๆได้ไหมได้อันนี้ถ้าพิจารณาเป็นขับรถหรูๆได้ไหมได้อยู่บ้านดีๆได้นะไม่มีปัญหาแล้วก็สีสันในชีวิตของเราก็คือกามกุลใช่ไหมเรามีได้ครับแล้วก็เราต้องหาความสุขที่เกิดจากในภายในมาเป็นของทดแทน ของทดแทนความสุขที่เกิดจากภายนอกไม่งั้นพระจะอยู่ได้ไงหมรัตบงใช่ครับเนื่องจากพระเนี่ยไม่เสพกามน้อยมากนะครับคือว่าไม่ใช่ถึงว่าไม่มีแต่น้อยมากเพราะน้อยมากเนี่ยมันต้องหาเครื่องทดแทนนะพระที่สึกไปสึกไปเนี่ยอยู่มาสิปี20ปีสึกไปก็มีบวชมาสมเดือน15บวันสึกไปก็มีนะเพราะว่าอะไรเพราะกา ม, มเพราะตัวเองไม่ตัวหลักนี่แหละคือกามตัวเองไม่มีความสุขที่เกิดจากในภายในนะไม่หาความสุขอย่างอื่น มันจะไปพอใจอะไรจิตมันก็ต้องไปพอใจกามอา้าวแล้วอยู่ในเพศนี้มันกามมันไม่ได้เต็มที่ทําไงสึกเท่านั้นแหละบวกไป3เดือน5เดือนสึกไปก็มีบุญมาก10ปี20ปีสึกไปก็มีที่สึกไปเนี่ยก็เพราะกามแต่ว่านี่หมายถึงว่าพระที่หมายถึงว่าสึกไปเพราะกามนะอาจจะมีสึกไปเพราะเหตุอย่างอื่นอย่างสุขภาพบ้างสึกไปเพราะว่าเรื่องอื่นถูกบังคับให้สึกมีเหตุอะไรต่างก็ถูกใส่ร้ายอะไรก็อาจจะมีณที่นี้เราพูดถึงเหตุสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็เพราะเรื่องกาม ครับอ่าทีนี้เราต้องหาความสุขคือความสุขที่เกิดจากในภายในอันนี้ประเด็นที่หนึ่งในในครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งสุขสุขจากสมาธิอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่สุขจากสมาธิสุขจากการที่มีความรักความเมตตาก็ได้สุขจากการที่ได้ไปช่วยคนนะสุขจากการที่ได้บําเพ็ญประโยชน์พวกนี้เป็นสุขจากในภายในทั้งหมดอ๋อครับไม่ใช่ว่านั่งสมาธิอยู่คนเดียวในบ้านมันยุ่งกับใครเลยนะสังคมก็ไม่ช่วยอันนี้มันก็คนละเรื่องกันอย่างเราบริจาคทานอย่างเงี้ยมีความปิติ อยู่ในใจอันนี้เป็นความสุขในภายในเพราะว่าคุณละความตระหนี่ได้คุณไปวันันเทียช่วยเขาทําความสะอาดบ้านเมืองมีความสุขเกิดขึ้นอันนี้ความสุขจากในภายในอหรือว่าเลี้ยงลูกนะให้มีความดีนะมีความสุขเกิดขึ้นอันนี้เป็นความสุขจากในภายในที่เรามีคุณธรรมอย่างว่ามีความเมตตาใช่ไหมหรือว่าไปช่วยคนแก่ที่บ้านบ้านคนชราบ้านคนชราอย่างเงี้ยไปเล่นกับคนแก่ทําให้เขามี ความสุขเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างนี้ก็เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในครับทีนี้อันนี้คือประการที่1นึ่งรประการที่สองเนี่ยเราต้องสํารวจอินทรีย์คนจะสํารวมอินทรีย์ได้เนี่ยก็ต้องมีสติมีสติ <S <S ใช่ไหม<ช><ช>มีสติแล้วสํารวจอินทรีย์แล้วจะมีสติใช่ไหมครับจะมีสติก็สามารถจะเขลียสิ่งที่เป็นการมออกไปได้ทีนี้จะสํารวมอินทรีย์ได้เนี่ยเราก็ต้องมีกายวาจาใจอันบริสุทธิ์จะมีกายวาจาใจอันบริสุทธิ์เนี่ย คุณ ก, ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาจะมีศรัทธาในอะไรนะครับมีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ า, นนาเนี่ยจะมีความเพียรในการที่จะทํากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ครับใช่ไหมใช่ครับพอมีความเพียรในการที่จะทำกายวาจาใจให้บริสุทธิ์าาใใเนี่ยก็คือมีฮีริอตตะปะว่างันเถอะกลัวต่อบบาปไลยต่อบาปคนกลัวต่อบบาปไลต่ตอบาปก็จะทําความดีใช่ไหมมันก็จะมาเกี่ยวเนื่องกันตรงนี้ก็คืออริยทรัพย์ที่พูดมือตึงเมื่อสักครู่นี้ นะไม่ใช่คนจนแต่เป็นคนรวยนะที่มีศรัทธามีวิริยะมีฮิริโอตตปปะทีนี้คนจะมีศรัทธาขึ้นมาได้หมอเราสมองมันไม่ได้อยู่ๆมันจะมีขึ้นมาได้นะอืมใช่ครับอาารยศรัทธานะี่มันต้องปลูกเอาพรนะพุทธเจ้าใช้คําว่า c า l t เ v a t e คือปลู ก, ลกนะเหมือนกับเมล็ดพืชต้ตองเอาไปปลูกปลุนน้ำปลวนดินลดน้ําใส่ปุย๋ยบํารุงไม่ให้มีวัชพืชอย่างเงี้ยนะต้องปลูกจะปลูกตรงนี้ได้ต้องมีเพื่อนดี มีกัลยนามิตรกัลยนามิตรใช่ครับเพราะฉะนั้นพอมีกัลยนามิตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือว่าคนที่อายุมากกว่าหรือว่าคนเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันก็ได้รหรืเป็นมักมีองค์แปพวกนี้เป็นกัลยนามิตรได้ทั้งหมดอ๋อตัวธรรมะ ก, ก็เป็นกัลยนามิตรได้มีกัลยนามิตรแล้วเราจะมีสัตตามีสัตตาแล้วจะทําให้มีวิริยะมีหิริโมโหวัฏปะใช่ไหมก็จะทํากายวาจาใจอันบริสุทธิ์ไหนมีมีสุจริตสามอย่างนี้แล้ว ก็จะทําให้มีการสำรวจมินสีมีการสำรวจมินสีก็จะมีสติมีสติแล้วก็จะเขี่ยกามเนี่ยออกไปได้อจะมีสมาธิได้ทําให้จิตของเราออกจากกามได้ครับนะครับรถเบ้นได้ไหมได้นี่คือสองประเด็นที่เราจะต้องทําในขณะเดียวกันคุณต้องทําอะไรในหน้าที่การงานใช่ไหมให้พอเพียงในสิ่งที่มีนะตั้งความพอใจไว้ในสิ่งที่ต้องการอย่าให้มีความอยากอคือทําเต็มที่แต่ว่าไม่ต้องไปอยาก ว่าต้องได้อย่างงู้นต้องได้อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่นี่คือเรื่องของกรรมพูดกระบวนความนะรกรามเนี่ยทั้งพระทั้งโยมมันก็เอาหมดรเราสละแล้วเราคิดว่าเราจะปล่อยวางการมได้แล้วแต่ที่ไหนได้มันยังมายึดเราอีกนะซึ่งห่วงโซ่ตรงนี้ได้เคยพูดไปที่ว่าคนที่ฟังธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมีศรัทธาใช่ไหมจะออกบวชออกบวชเนี่ยเขาก็รับโกรรพกซั์น้อยใหญ่ได้ละ อุปกรณ์แห่งทรัพย์และเลือกสวนไล่นาอมห า, าญาติมิตรได้ออกมาบวชนะชเพราะว่าเขาละได้<ช>แต่ถ้าอีกคนหนึ่งนะเป็นคนจนเข็นใจไดทรัพย์สมบัติมีนาก็เป็นนาที่ดอนๆนะข้าวยังยุ่งฉาวก็ไม่ค่อยมีข้าวเสื้อก็ปะปะแต่ถ้าเขามีความยึดในสิ่งนั้นนะเขาก็ออกบวชไม่ได้โอครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่แข็งแกร่ง มากกว่าโซ่ตรวนหรือว่าเอาเชือกป่านเนี่ยมามัดไว้ก็ยังยึดได้ไม่ดีเท่ากับอตันหาครับกามยึดยึดแน่นแน่นเลยใชไครับเพราะฉะนั้นตันหาเนี่ยมันก็มาในรูปของกามรในรูปของความมีความเป็นความไม่มีไม่เป็นอืมครับเาะฉะนั้นถ้าเราเราแก้เรื่องกามใช่ไหมเราแก้หนึ่งในสามของตันหานั่นเองนะอ๋อแต่ยังไงก็ยังดีอ่ะก็ยังดีที่จะมีกาม พยาบาทเบียดเบียนหรือเปล่าครับใช่ใช่การพยาบาทเบียดเบียนนี่ก็อันหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นสมาสังกปะแต่นี้พูดถึงการวตัญหาภาวะตัญหาแล้วก็วีภวะตัญหาอนํา่ันนี้คือเรื่องของการทั้งหมดก็เราก็ได้พูดถึงอะไรไปแล้วหมอแล้วพรุ่วันนี้แล้วตอบคําถามคใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องอนุสติแล้วก็เลือกลูกศรสองดอกแล้วเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการ นะว่ามีโทษอะไรบ้างนะความแตกต่างระหว่างการกับการมาคุณกามาคุณครับแล้วก็กับดักของกามนะวิธีแก้ไขครับวิธีแก้ไขแล้วก็การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามทําอย่างไรครับักษณะนี้อืมแล้วอืมโอเคก็คิดว่าวันนี้ก็ครบถ้วนนี้ใช้เวลามามากเลยครับผมเพราะว่าต้องการที่จะให้เนื้อหาของเรื่องกามเนี่ย มันจบไปทั่วทั้งกระบวนความใช่เห็นไหมว่าโทษของการมันมีมากจริงๆเราต้องมาฟังกันเป็นชั่วโมงเนี่ยแล้วเรายังพูดถึงเรื่องกรรมอาฆาด้วยอันนี้สําคัญมากกรรมอาฆาตครับกรรมอาฆาตเนาะทีนี้ในตอนต่อไปเราก็คิดว่าจะอธิบายเรื่องอะไรดีล่ะครับธาตุไงที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เรื่องของภาษาภานาันาะมีเอ่อคนต้องการจะฟัง เรื่องของปัสสาที่ทำให้ง่ายต่อการบรรลุธรรมแล้วก็วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาภัสสาะเหล่านี้อย่างไรแล้วก็จะเป็นตอนที่สาิแปดเอพิส od ที่สามสิบแปดปัสสาวะก็เอาไว้เป็นควันในเอพิส od ที่สาสิบเจ็ดเราก็จบกันอย่างนี้แหละคุ้นห้วอย่างนี้แหละครับนะเพราะว่าเนื้อหาเราเ o v e r มากเลยวันนี้ครับแน่นเอียดครับแั้นเราก็ค่อยมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วก็อ มีคำถามใดๆก็ส่งมาที่เพลธรรม a c o m นะครับท่านท่านผู้ฟังที่มีสิ่งที่ค้างคาใจหรือว่าต้องการแนะนำอะไรก็ส่งมาได้นะครับใช่ข<ล>อาเงินวันนี้ก็เท่านี้แหละคุณหมอท่วงแล้แลวก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับรับรัการอารจารย์ไพภูณ์พิพิโนครับริพสวัสดีท่านผู้ฟังครับ